เราคงไม่ลืมถ้อยคําที่ภาษาริบบทีนะนะ่กล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะนะเอาทุกพระองค์เลยทั้งพระพุทธเจ้าที่เคยมีในอดีตที่จักมีต่อไปในอนาคตและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบนันนี้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่ละนิวรห้า ที่เป็นเครื่องทําใจให้ทุรพลหรือว่าเรียกว่าหมดหมดแรงหมดพลังทางใจนิวเนี่ยแปลว่าเครื่องเศร้ามองนะพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหมดทุกองค์นั้นล้วนแต่กําจัดความเศร้ามองทางจิตใจนะเศร้ามองด้วยการมราคะบ้างหรือการมาฉันทะพยาบาททีนามิทะอุทธจักกุกุจะและวิจิกิจชาซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้ปัญญาทุรพล ทุรพเนี่ยแปลว่าไม่มีกำลังหรือสามกำลังแปลว่าหมดกำลังหรือว่าใช้ปัญญามไม่ได้คนทั้งหลายที่ไม่สามารถจะใช้ความคิดได้ก็เนื่องจากว่านิวร์เนี่ยมันทำให้เศร้าหมองพรามเขาไปกราบเรียนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเพราะเหตุใดนเน่อบางครั้งเนี่ยมนที่เคยท่องจำไว้แล้วเนี่ยนะเขาทรงจำมนเขาจำเาจบางเรื่องได้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 ธรรมวิจยาสัมโพชฌงก์ก็เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌง์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละการเจริญทั้งสติสัมโพชฌง์ธรรมวิจยะสัมโพชฌง์เป็นการงานของคนกล้ากล้าที่จะละบาปกล้าที่จะเพิ่มพูนบุญเนี่ยนะกล้าที่จะสละความคิดที่เป็นอกุศลกล้าที่จะให้จิตเป็นกุศลเนี่ยเกิดขึ้น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 เรีว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเพิ่มพูนคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจากปริตะหรือจากมหากุศลเป็นมหคตะกุศลจากรูปาวจรกุศลเป็นอรูปาวจรกุศลจากมหากุศลรูปาวจร อ, อรูปาวจรตั้งอุปนิสัยเพื่อโลกุตระเพื่อช่ำแรกออกจากบาปและอกุศล เพื่อให้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลที่มีกําลังยิ่งเผาผลาญบาปประธรรมได้เพราะถ้าเจริญกุศลจนถึงขณะโสดาปฏิมาเกิดขึ้นบาปอาคุสถานคือใจก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งนิวร์ขอไปจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เช่นทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์ก็จะถูกขจัดกําจัดออกไปหรือว่าทิฏฐานุสัยจะถูกกาจัดออกไป วิจิตกิจนุสัยก็จะถูกตัดออกไปด้วยอนุภาพแห่งกุศลที่มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะั้นกุศลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสูงที่สุดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์กุศลอันนั้นเป็นมา ก, กักกุศลใจดวงนั้นก็จะเลิกเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลเหล่านั้นต่อไปเพราะอนุภาพของการวิจัยเลือกเฟ้นนี่ก็เพิ่มพูนพ่อชงเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อ สกทาคามิมักเพิ่มพูนโพชงเหล่านั้นอีกต่อไปเพื่ออนาคามิมักเพิ่มพูนโพชงเหล่านั้นเพื่ออรหัตตมักเนี่ยนะท่านภาษาริบท์จึงกล่าวแบบสรุปย่อๆว่าพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคตที่มีอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่ละนิวรที่ทําใจให้ทุรพล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 นะในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยเิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยแต่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บาเพ็ญบารมีมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมจะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาวิจัยเลือกเฟ้นพระองค์ก็เลยเรียกว่าสยัมภูผู้ตรัสรู้เองเอนะเป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ยนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วพระองค์ได้เรียน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 อยู่กรุงเทพเนี่ยหลงทางบ่อยไหมเอ๊ก็ว่ามาถูกทางเลยนะมันไปไนดะ้ยังไงเนี่ยมันมาถึงนี่ได้ยังไงนะมันหลายคนก็วบอก็าหลงทาง อ, อยู่กรุงเทพเราชำนาญทางมาทำไมบอกหลงทางประจำเขาบอกงั้นะนะบางคนนี่ก็อย่างนั้นถึงพอรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรถึงขนาดนั้นก็ยังบางครั้งก็ยังแวะออกนอกทางมันผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ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 อดีตที่ผ่านมามันตั้งแต่เมื่อไหรอย่างไรเนี่ยไม่มีพันพระองค์นี้อาศัยว่าอัตตะสัมมาปณิทีเนี่ยนะตั้งความปรารถนาไว้เป็นอย่างดีพระองค์นั้นอาศัยการสร้างบารมีสิบและมีอัตตะสัมมาปณิที่เรียกว่าความปรารถนาที่ถูกต้องเนี่ยคอยกำหนดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าทานที่พระองค์ให้พระองค์ก็ให้เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ รู้อยู่แล้วว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นผลของการเจริญโพชงเป็นผลของจิตที่ดํารงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานเป็นผลของการละนิวร น, นะโพธิญาณอันนั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อโพธิญาณเหล่านั้นเกิดขึ้นทํากิจอะไรบ้างทํากิจช่วยตัวเองให้ข้ามออกจากทุกข์ทำกิจช่วยเหล่าสัตว์ให้แต่สรู้ทำเป็นที่พ้นทุกข์ท่านรู้อยู่แล้วว่าบั้นปลายนั้นคืออะไรสาเหตุมาจากไหน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 ผลพลอยได้อย่างอื่นไม่สนใจเนี่ยนะสนใจอยู่เป้าหมายอยู่ชัดเจนนะเป้าหมายอยู่เป้าเดียวรักษาศีลทุกอย่างเนี่ยนะเจตนาที่เว้นจากปานาติบาศีลคือเจตนารักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาตก็ตามรักษาเจตนาเว้นจากอธินาทานก็ตามรักษาเจตนาเว้นจากการเมสุมิฉาจารก็ตามรักษาเจตนาเพื่อประพฤติพรหมจารก็ตามรักษาเจตนา เว้นจากว่าจีทุจริตก็ตามรักษาเจตนาเหล่าใดที่เป็นอธิสินทั้งหลายจะตก ป, ปริสูตรที่ศิลก็ตามการรักษาคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นน้อมเอาคุณธรรมเนี่ยสแสวงหาโพธิญาณบอกว่าศีนทั้งหลายเป็นซับใช่ไหมเอาทรัพย์อันเนี้ยซื้อโพธิญาณอนนรักษาค่าของอริยรัพย์คืออริยซัพย์คือสัต ทานนะนะเจตนาจากข้าเจตนาที่เกิดจากการให้รักษากุศลศีลรักษาวิรัติศีลอาศัยศีลอันนั้นเป็นบาทเพื่อโลกุตระธรรมขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ภาพเพียนในการละนิวรทั้งหลายอันนั้นเป็นเนคขมะลักษณะของเนคขมะก็คือออกจากนิวรออกจากกามฉันทะด้วยเนคขมะนีนะเพราะการที่ออกจากกามทั้งหลายทั้งออกจากวัตถุกามและออกจากกิเลสกาม ด้วยเนคขมมะก็อาศัยการออกตัวนั้นเอาเจตนาที่ออกจากวัตถุกรรมเจตนาที่น้อมออกจากกิเลสการมเอาเจตนาตัวนั้นเพื่อนิพพานหมายว่าเพื่อเพื่ออะไรเพื่อละนิวรณ์ตั้งเอากุศลเจตนาเหล่านั้นเพื่อละนิวรณ์เพื่อจิตดํารงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานตั้งกุศลเจตนาอ น, นั้นเพื่อจะได้เจริญโพชฌงตั้งกุศลเจตนาอ น, นั้นเพื่อแทงตลอดสัพพัญญุตยานเพื่อแทงตลอดอส า, าธารณะยานเลยนะ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 เช่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าใจเหตุแห่งความเจริญเข้าใจเหตุแห่งความเสื่อมนะรู้อะไรเป็นสิ่งที่ควรละรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรเจริญน้อมเอาความรู้เหล่านี้นี่แหละเป็นเบื้องบาทเป็นพื้นฐานให้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคตมันปัญญาก็ตั้งปัญญาเพื่อคุณธรรมชั้นสูงนนะแม้กระทั่งว่าภาคเพียรในการเจริญกุศลว่าเพียรละอกุศลเหล่าใด ความพยายามเหล่านั้นก็มีเป้าหมายอย่างเดียวก็เพื่อแทงตลอดธรรมดัาทางที่กล่าวไปนะนะพันถึงจะมีความอดทนในการเจริญกุศลก็อาศัยบาตแห่งความอดทนเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยน ะ, นะะมีสัจจะรักษาคำสัจรักษาคำจริงคำสัจที่เจตนาที่เป็นเหตุให้รักษาอยู่ในวจีสัจจะวิรติสัจจะสัจจะเหล่านั้นหรือว่าเจริญญาณสัจจะก็เพื่อโพธิยามที่กล่าวไปนะนะ ถึงทําทุกอย่างเนี่ยนะปรารถนาในการเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานนั้นอธิษฐานอ b a r มีก็เหมือนกับกระหายที่จะทํากุศลใหม่ๆอยู่ยิ่งยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่าอธิษฐานเพื่อทํากุศลนะอธิษฐานไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะอธิษฐานกับขอทานไม่เหมือนกันอธิษฐานนั้นเป็นลักษณะการเพิ่มพูนว่าจะทําบุญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรแต่ถ้าขอทานก็ขอเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะขอแก้วขอแหวนขอเงินขอทองอะไรก็แล้วแต่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 อสงไขยแรกอสงไขยที่4เนี่ยนะถอยหลังไปสีอสงไขยในกลับนั้นที่พระโพธิสัตว์เนี่ยในฐานะผู้ท่องเที่ยวมานานได้เจอพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่พยากรทั้งทั้งที่เคยมีพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนางกรได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกร